ในเมตตาหาความนิยมของนคนไม่ได้เขาให้ของเราชิ้นหนึ่งนี่เราจังดีใจการเ้อสลาเพื่อประโยชน์จากกรรมกันไห น, น, นจะไม่ดีมีแล้วความเ้อสลาคนไม่มีเมตตาจิตดีว่างนันให้ไม่ได้ความเมตตาสงสารนี่ อย่างไรก็เหรอเวลาพูดเสียเสีดติดด้วยเสียงเงียบอไิกการอะไรหนะึ่งด้ยโลกคือหมู่สัตว์ไม่เคยอยู่ด้วยความสะดวกสบายโดยไม่มีเครื่องบังคับ ต้องมีเครื่องบังคับอยู่ตลอดไม่ว่ามนุษย์สัตว์ดิรนชันสัตว์น้าสัตว์บกมีเครื่องบังคับให้ต้องเครื่อนไหวเคลื่อนไหวไปมาเกะแสวงหาสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้จัดทากันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนมีตั้งแต่เรื่อง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 กับความต้องการและความสับสนเหล่านั้นที่ถือหัวใจเป็นที่ทำงานหรือเป็นที่เป็นเครื่องหมุนเพื่อความต้องการของตนมีโลกเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นโดเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราจะอยู่ประเทศใดทวีปใด ทาตชั้นวันณะใดในป่าในบ้านในเมืองนอกเมืองมีแต่ความหมุนติ้วอยู่ด้วยหน้าที่การงานเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันเป็นสำคัญเรื่องหนึ่งที่บังคับให้ต้องทำงานและยังมีอีกอันหนึ่ง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 เครื่องเสริมไฟให้ส่งเกลวสูงขึ้นโดยลําดับลาดับจนกระทั่งตายไปเปล่าๆหาความสุขไม่ได้เลยในบุคคคนนั้นบ า, างทั้งที่เจาะเสแสร้งหาความสุขตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งมันตายหาไม่เจอแต่สิ่งเหล่านี้ได้มีอำนาจบังคับบัญชาให้เป็นไปแล้วต้องเป็นอย่างนั้นัมีความจํา ถือความจําเป็นเรื่องธานุเรื่องขันหามาเพื่อยารักษาตามธรรมดาก็ย่อมมีเวลาพักผ่อนได้อย่างสะดวกสบายแต่ความโลภนี้มันไม่มีเมืองพอทันทีนจึงหาเวลาพักผ่อนไมได้ได้เท่านี้ต้องอยากได้เท่านั้นต้องอยากได้เท่านั้นเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่จะการทันมันได้เลย โลกทินงต้องหมุนติ้วอยู่ด้วยเหตุสองประการนี้เป็นสำคัญคือเกี่ยวกับดงธาตุําขันซึ่งมีความบกพร่องต้องการสิ่งยายารักษาี่ยกิเลศตัวหาเหมืองพอไม่ได้เป็นตัวใหญ่มากทีเดียวเพียงลำพางตากทองเครื่องใช้ไม้สอยสําสำหรับธาตุขันพอเป็นอยู่ปูไวยสำหรับโลกทั่วไปในวงมนุษย์เราก็พอทาเราแต่ถ้าเ้ากิเลศตันหา เหล่านี้มันเข้าวงการเป็นหัวหน้างานแล้วโรคไหนก็โรคคนใดก็คนเถอะดับชั้นมันรนะดใดก็ตามจะต้องหมุนติ้วอยู่ด้วยสิ่งอันนี้เป็นเครื่องบังคับจนกระทั่งลมหายใจหมดน่แล้วก็ไม่เจอความสุขแม้แต่น้อยเลยจเจอตั้งแต่กองทุกเพราะพวกนี้พวก ส่อเสือหาความทุกข์ทั้งนั้นธรรมชาติอันนี้พ า, พาสัตว์โลกให้ส่อเสือหาแต่พืนแต่ไฟมาเผาลุมตัวเองอยู่ตลอดเวลาหาความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ที่ไหนในโลกก็ไม่เห็นโทษของมันจึงต้องในหมุนตัวไปตามมันอยู่เช่นนั้นเนีย่ยสรุปความแล้วว่าโลกเล้านี้จึงไม่มีใครที่จะว่างจากการจากงานจากความยุ่งเหยิงวุ่นวาย หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่เช่นนั้นสรุปถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฐานดังคันโลกจะต้องจากแสวงหามาเยียร์ยารักษาก็ต้องวุ่นวายอยู่เรื่อยมาทางานก็ต้องทำจริงๆไม่ทำจริงๆก็ไม่พอปากพอท้องความทุกข์ก็เกิดขึ้นโลกยิงได้หมุนไปตามการตามงานทีนี้ ย่นเข้ามาหาสมณะคือนักบวชนักปฏิบัติของเราเพึ่งถือโลกเป็นหลักสําคัญว่าเขาไม่มีเวลาว่างงานของเขาเลยงานของโลกเขาก็ไม่มีเวลาว่างงานของพระก็ไม่ควรให้มีเวลาว่างเพื่อถอดถอนกิเลสตันหาอาสวะนี่คืองานสําคัญพระของสมณะเรา เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอันเป็นงานสำคัญของตนในเอียบทต่างๆไม่ปราศจากสติซึ่งควบคุมงานภายในของตนที่ทำอยู่นั้นโดยสม่ำเสมอนี่เรียกว่าเป็นผู้มีงานสมกับเพศและหน้าที่ของตนโดยแท้รางพระโพธิจากประทานไว้แล้วทุกประการในครั้งพุทธการ เราวาดภาพตามตำหักตำลาที่ท่านจดจารึกไว้กท่านวาดวาดท่านจดเอาไว้ตามหลักความจริงที่เป็นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านตำลายแล้วจริงวาดภาพเรื่องของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายได้โดยไม่ผิดจะเห็นจีเดียพระอาการของพระพุทธเจ้าที่แสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย ไม่มีเรื่องอื่นเรื่องใดนอกจากเรื่องถอดถอนกิเลสอาสวะด้วยความภาคเพียรสั่งเสียพระบ้างคือทรงสั่งเสียบ้างทรงให้การอบรมให้เห็นคุณค่าในสถานที่ที่จะบำเพ็ญบ้างให้เห็นคุณค่าออ่งความเพียรของตนบ้างรวมแล้วมีแต่เรื่องให้กระบำเพ็ญด้ความภาคเพียร เต็มเมเต็มหน่วยสมกับงานของสมณะจริงๆเราจะเห็นได้บรรดาพระษาวกทั้งหลายที่ออกมาจากสกุลต่างๆมาบวชศึกษาอุรมกับพระพุทธเจ้าไม่มีงานใดกิริยาใดที่เป็นเรื่องของโลกเข้าไปเคลือบแฝงเลยจะคุยกัน มากน้อยเพียงไรที่เรียกว่าธรรมสากัชฉากาเลนธรรมสาตกัฉาเอตมังคัลมุตมังท่านสนทนากันเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในอัตในธรรมเป็นที่มงคลทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์จากกันเป็นอย่างนี้ไม่ว่ามากน้อยเพียงไรบรรดาธรรมที่ท่านสนทนากันอยู่ในวงแห่งสันเลขาธรรมที่เคยแสดงอยู่มาแล้วเสมอนั่นแหละ ไม่ได้นอกเหนือไปจากไหนจากนั้นเลยการพูดการก็พูดด้วยความชมเชยพูดด้วยความยินดีพูดด้วยความใส่ใจจริงๆไม่ได้สักแต่ว่าพูดตาลบหรือสนธนากันเป็นอย่างความมากน้อยก็ตัดภาระธุรังอะไรออกหมดให้พอเป็นไปได้เท่านั้นะ ความมักน้อยเป็นเครื่องตัดภาระเครื่องกดท่วงออกเสียให้มีแต่ความภาคเพียรไปด้วยความคร่องตัวลดลงมาก็ว่าสันโดษบินดีตามมีตามเกิดไม่สอแสลาหาสิ่งไม่มีไม่เป็นมากอกวนวุ่นวายตนเองและผู้อื่นซึ่งเป็นการรบกวนขเขาไม่ดีเลยนี่ในสันเดะชะธรรมอภิชตา ความมากน้อยสันตุถีคือความยินดีตามมีตามเกิดทางปัจจัยทั้งหลายไม่ยินดีไปมากกว่าที่เกิดที่มีขึ้นภายในตนไม่รบกวนผู้ใดเป็นผู้เลี้ยงง่ายเสมอเรื่องสุภะโลเป็นผู้เลี้ยงง่ายฉันตุสโกตสุภะโลจัดเผู้สันโดษยินดีเป็นผู้เลี้ยงงา่โคโคาย อยู่เยือมวุ่นวายกับใครทั้งนั้นวนะิเวกตาสนทนากันก็เป็นยังไงไปอยู่สถานที่นั้นได้รับความสงบสงัดดีไหมสถานที่เป็นอย่างไรสินฟ้าอากาศตลอดถึงน้ําท่าที่เป็นที่อาศัยสถานที่ประกอบความภาคเพีย้ยนเป็นไปด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจไหมนทะ่านสนทนากันที่วิเว ก, กตาชอบในที่สงัด สังกัดดีมไหมวิริยาลัพพาการประกอบความเพียนเป็นอย่างไรบ้างได้อุบายแปเลกๆต่างๆในสถานที่เช่นนั้นดีมากนี่ยองค์นี้ก็ถามองคนั้นองค์นั้นก็ถามองค์นี้เหมือนกันเพราะต่างองค์ต่างไปหาสถานที่เช่นเดียวกันนี้เมืเม่อได้ทราบว่า ด, ดีแล้ว หากว่ามีโอกาสท่านโน้นนั้นก็อาจจะไปมีโอกาสท่าง น, นี้ก็อาจจะไปสถานสู่สถานที่เดีนั้นเพราะเป็นที่เหมาะสมต่อการประกอบความภาคเพียรเวกตาวิริยลัมพาอสังสันิกาไม่คุกคี ก, กับผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าไม่ต้องพูดที่เรื่องประชาชน ญ, ญาติโยมซึ่งเป็นสิ่งภายนอกนั้นเลยแม้แต่พระเขามายุ่งเหยิงวุ่นวายกัน พูดกันเฉพาะเวลาจำเป็นเท่านั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ให้จิตส่งกระแสออกไปสู่ภายนอกให้มากไปซึ่งเป็นการข้ามความจำเป็นหรือหลักความเพียรที่มีอยู่ในตนนี้ไปเสียจะเสียเวล่มเวลาไป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 นอกจากมีความอิ่มพอรือมีความดูดดื่มภายในธรรมทั้งหลายสแสดงออกมาอาการใดมีแต่ธรรมล้วนๆเป็นที่ทราบซึ้งถึงจิตใจซึ่งกันกันในระหว่างคู่สนทนากันคำว่าศีก็ระมัดระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นสมบัติอันล้นค่าภายในตัวของเราสมาธิจะทำให้เกิดได้ด้วยวิธีใดสนทนากันสนทนารื่สงสีสนทนารเรื่องสมาธิ ไปยังไงจิตใจเป็นยังไงมีความสงบเยือเย็นดีไหมก็อยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนั้นการประกอบความเพียรเป็นยังไงจิตใจรับความสงบเยือกเย็นไหมและเยียบเย็นความเยือกเย็นขนาดไหนใครมีความรู้สึกยังไงในการประกอบความเพียรที่เป็นปรากฏผลขึ้นมาก็เล่าสู่กันฟังเป็นเครื่องส่งเสริมซึ่งกันแาะกันให้มีความดุ ด, ดึงมีกําลังใจในการประกอบความภาพเพียรนะ ปัญญาพิจารณาได้ความแยบคายอย่างไรบ้างถามกันที่เรื่องปัญญาเมื่อถามที่เรื่องปัญญาแล้วไม่ไปวิมุติจะไปที่ไหนเพราะปัญญาเป็นเครื่องปราบปรามสิ่งที่โลกรุนแังพายในจิตใจทั้งหลายให้หลุดพ้นถึงขั้นวิมุตเนี่ะท่านําเพ็ญมาแต่ก่อนสนทนากัทานท่านสนปนาอย่างนี้ นี่หลักคมพุทธศาสนาแท้หลักของพระแท้งานของพระแท้การพูดการจ่าสนธนาของพระแท้ท่านเป็นอย่างนี้พากันจดจำหลักเกณฑ์ น, นี้ไว้อย่าให้ห่างจากจิตใจของตนอย่าเห็นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่น่าคุยน่าสนทนามากยิ่งกว่าสันเลขาธรรมทั้งสิบประการที่มีคุณค่ามิเศษต่อจิตใจของเหล่านี้ อันนี้เป็นสําคัญผู้ใดก็าตามถ้าลงได้มีความเน่นหนักลงในสิบข้อนี่จะเป็นข้อไหนก็าตามจะวิ่งถึงกันหมดกิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดก็าตามเถอะสิ่งที่เก่งกว่ากิเลสยังมีที่จะต้องปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือมี คืออะไรคือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมซึ่งก็มีอยู่ในตัวของเราท่านบอกอุบายวิธีการสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราซึ่งมันผูกมัด ก, กันด้วยความสัมพันธ์ของเราแล้วให้แก้กันออกด้วยอุบายต่างๆแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้เนียอย่างที่ว่าเกสาลงมานะขาตันตาตะโจเป็นต้นอืมก็ติดอันนี้สารโลกทั้งหลายติดกันตรงนี้ มาสอนที่ตรงนี้ดูให้ดีมีอยู่ในที่นี่ความติดพันความสําคัญซึ่งเป็นเรื่องพรอมทั้งหลายนั่นน่ะมันแท้ของจริง่งนนี้มันดัดแปลงแต่งเอาใหม่ทั้งหมดนี่เลยมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมทำมาเป็นของไม่งาเป็นอนิจจงทุกขังอนาัตตาเป็นอสุภะอสุพัง เป็นสิ่งที่แตกสลายได้เสื่อมไปทุกเวลาเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาแต่กิเลสมันไม่เป็นอย่างนั้นมันดัดแปลงสมัยหลอกเราเรายังหลงทั้งทั้งติตาเราก็เห็นอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรถ้าเอามาเทียบกับธรรมมาเป็นคู่แข่งกับธรรมแล้วเอาตามความจริงก็เหนือทําไปไม่ได้ ทำต้องมีน้ำหนักเต็มตัวเป็นของปฏิกูลนะักนเราดีมันหอมที่ไหนร่างกายของเราทุกส่วนนั้นไม่ปฏิกูลได้อย่างไรนี่เท่านี้ก็ทราบแล้วแต่นั้นว่าสวยมันเนี่ยมันเปลี่ยนขึ้นมาว่ามันสวยมันงามนัม่นสวยงามที่ตรงไหน น, นสะอาดสะอาดที่ตรงไหนนี่แต่สิ่งที่มันปลอมขึ้นมาแทกขึ้นมาปลอมขึ้นมาแต่เราไปเชื่อของปลอม มากยิ่งกว่าที่จะพิจารณาตามธรรมุญญาเห็นเป็นของจริงตามธรรมท่านเพราะฉะนั้นมันจึงฝืนธรรมในตลอดเวลาทั้งๆ ท, ท, ที่เราประกอบความเพียรอยู่นั้นแหละเป็นการปีนเกลียวกันกับธรรมเลยกลายเป็นค่าศึกต่อธรรมไปโดยมัรู้สึกตัวในขณะเดียวกันก็ความเห็นเรื่อนี้ก็กลายเป็นค่าศึกต่อตัวเราเองไม่ใช่ตุที่ไหนท่นจึงไม่รู้มาเห็นเหมือนกับว่าธรรมของพระเจ้า สุดเอื้อมสุดวิสัยของมนุษย์เราแต่าพียยิง่งของเราที่จะปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ทำท่านสอนใบมันสุดวิสัยไปเสียหมดเพราะความรู้ความเห็นมันไม่เป็นไปตามธรรมมันเป็นไปตามกิเลสไปทั้งหมดเรื่องกิเลสนั้นเป็นเรื่องขวางธรรมอยู่แล้วเมื่อความรู้เห็นเป็นไปตามกิเลสเชื่อกิเลสไปเล่าก็เป็นคนขวางธรรมแล้วมันจะบรรลุเป้าหมายแห่งธรรมตามพพุ ท, ทธเจ้าได้อย่างไร ท่านจึงนำมาท่านจึงให้สอนว่าให้พิจารณา ซ, ซ, ซ้าๆซักๆคลี่คลายแยกแยะออกดูโดยสม่ําเสมอว่าด้านหนึ่งจนได้ที่จะรู้จะเห็นตามหลักิง ห, หลักความจริงของธรรมที่สอนไว้ท่านว่าสาาัววกข้าโตพระว่าตาทำหมูตรัสไว้ชอบแล้วฟังที่ทำตราดไว้ชอบแล้วมันไม่ชอบอยู่ที่หัวใจของเราที่เต็มไปด้วยสิ่งจำปลอ ม, อมคือกิเลสทั้งหลายเท่านั้น ยึงต้องพยายามแหวกจากกิเลสจอมปลอมนั้นเข้ามาสู่ความจริงในธรรมมาตราไว้ชอบแล้ว่าร่างกายเป็นยังไงเป็นอสุภะอสุพังทุกขงังในจางนาตานี่คือความจริงพยายามคลี่คลายดูจุดนี้ไม่เห็นเอาให้เห็นเห็นภายในใจตาเนื้อเห็นอยู่แล้วมาเด็ดปฏิเสธพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นอยู่ทุกอย่างแปลสภาพก็เห็นอยู่ทุกข์ก็เห็นอยู่ อนัตตาถือเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นาเป็นเขาที่ไหนมันก็มีแต่ดินน้ำลมไฟเทาั้นพูดตามสมมุติขั้นนี้ฉะนั้นก็ทุกชิ้นทุกส่วนภายในร่างกายนี้ก็เป็นตัวนี้อยางทั่วข้างตาไตรลักษ์เต็มอยู่หมดอยู่ด้วยกันนั่นแหละทั้งสามไตรลักษ์นี้คลี่คลายไปหลายครั้งหลายหนมันก็เข้าใจสติเป็นสําคัญในการประกอบความเปลี่ยนเราจึงเน้นเสมอเรื่องสติพ่อเคยเห็นคุณค่าของสติมาแล้วด้วย เคยเห็นโทษของความขาดสติมาแล้วด้วยจึงเ่นำมาสอนอย่างเต็มหัวใจที่เต็มปากยาประกอบความพักเพียรวันไหนสติไม่ค่อยดีการพิจาราก็ไม่ค่อยแจ่มแจ้ ง, งเนี่ยหลักใหญ่อยู่ตรงนี้สติผู้ควบคุมงานขาดวักขาดตอนงานก็ขาดวักขาดตอนไป ตามสตินี่แหละที่ว่าขาดความความเปลี่ยนขาดว่าขาดตอนขาดตรงนี้สติดีอยู่การพิจารณาทางด้านปัญญาจับตรงไปเกาะตรงไปมันติดปับ๊บติดปับ๊บติดปับ๊บุ่งไปเลยทะลุไปเลยถึงความจริงตามขั้นภูมิมกําลังของตนตัวไม่ต้องสงสัยแต่ว่านหนพิจารณามันไม่ติดเพราะสติไม่ดีเกาะแล้วผิดกลาดไป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 กรับทราบก็สิ่นั่นทันทีแล้วคลี่คากันไปโดยลําดับทันทีจนกระทั่งเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วปล่อยปล่อยปล่อยเรื่อยอนี่เป็นความเพียรจริงขึ้นอยู่กับติขอให้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราอยากรู้อยากเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติทั้งหลายนี้พวกเราเป็นต้น ที่ตั้งหน้าต่างๆมาศึกษาจากที่ต่งตางๆมามุ่งอัดมุ่งทํามีเจตนาอย่างเดียวกันขออย่าลืมความตั้งอกตั้งใจความมุ่งหมายขอยงตนที่มาในเวลาประกอบความภากเพีย่ยนอย่าให้กิเลสมันหลอกให้ทะเลถลาย ไ, ไปนู่นทะเลถลายไปนี่มีแต่เรื่องกิเลสจูงจมูกอยู่ตลอดเวลาจิตไม่ได้ยังเข้าถึงทําได้เลยถูกแต่ยกิเลสหลอกจับฉุดล่าออกไปจากช่อ ง, งทางธรรมที่จะตควรรู้ได้เห็นได้า ช่องนี้ช่องนั้นเช่นช่องทุกขังช่องอนิจจังช่องอนัตตาช่องอสุภาอรูปังมันลงช่องนี้ไม่ได้มันลงแต่ช่องที่ที่เลดหลอกลวงไปเสียลงเรียกว่าลงช่องหลอกลวงรอกตัเองไปเลยเลยมันก็ไม่เห็นผลเห็นประโยชน์อะไรอาจรจึงเอาให้กินให้จําเทศสอนหมู่เว่นมาก็ไม่รู้กี่ปีกี่เดือนเทศเป็นเม็ดเป็นหน่วยหมดภูมิ ความสามารถที่จะเทตกยิ่งไปกว่าที่เคยเยมาแล้วนี้เป็นไปไม่ได้แล้วสําหรับเราผันนี้จะพูดปฏิบัติให้รู้เห็นขึ้นพานในใจมันก็น่าจะเป็นอยู่แล้วน่าจะเป็นไปได้แล้วถ้าหาว่าไม่เลวไหลไม่ทะเลทะไหลเทียนในพานในจิตทั้งตนทั้งที่ประกอบความเปลี่ยนอยู่นั่นเท่านั้นก็มีอย่าง อ, างอื่นมันน่าจะรู้สิ่งเหล่านี้อยู่กับตัวแท้ บุดค้นลงไปตรงนี้ทํำไมความสงบเมื่อไม่มีใครอะไรกวนจิตเพราะการบังคับได้ไม่ให้จิตไปยุ่งกับสิ่งใดสติบังคับไว้เสมอทํำไมจิตจะสงบไม่ตัวไม่ได้ น, นการที่สติล่างมาอยู่หรือสติเผลอมันเป็นเหตุให้จิตถูกกิเลสลากไปด้วยความเคยชินต่อมันต่อ น, นิสัยของกิเลสอยู่แล้วนั่นมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราว นั่งภาวนาก็มีแต่ง่วงเหงาห้องนอนหาความสงบไม่ได้นอกจากสงบหลับแบบหลับเท่านั้นเพียงขั้นสมาธิก็ไม่เห็นถ้าเป็นอย่างนั้นแม้ปลาโกดได้ยินแต่ชื่อนั่นแหละอาสมาติสมาธิไปเพราะความตั้งมั่นอะไรมันตั้งมั่นความเพียรมันก็ไม่มั่นมันทะเลถลายไปตามที่เดชกั้งหมดเอาความมั่นมาจากไหนเมื่อตัวเหตุไม่มั่น ผลคือความสงบใจให้เป็นความสงบอย่างแน่นหนามั่นคงมันจะมีได้อย่างไรผลเกิดขึ้นจากเหตุต่างหากนี่อย่งขั้นสมาธินันก็เป็นปรไมานด้แพูดถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งละเอียดเป็นลำดับลำดับไม่มีอะไรที่จะกว้างยิ่งกว่าปัญญาสมาธิเมื่อเต็มภูมิแล้วก็อยู่เหมือนกับน้ำเต็มตุ่มแล้วอยู่ แต่ปัญญานี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีขอบเขตซึมซาบไปได้หมดทุกแง่ทุกกระทงไม่ว่ากว้างว่าแคบแล้วแต่เหตุการณ์ที่ควรจะให้พิจารณาไปถึงไหนไปได้ทั้งนั้นปัญญาไม่มีขอบเขตส่วนสติเพราะส่วนสมาธินี่หม่เท่าที่ปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นเมื่อเต็มภูมิของสมาธิแล้วจะให้ยิ่งกว่านั้นไปอีกก็ไม่ได้ กำหนดงทีไรมันก็อยู่แค่นั้นละเอียดก็ถึงขั้นสุดของสมาธินั่นท่านั้นไม่ใช่ละเอียดแบบบิมุติบุตพ้นไม่ใช่ละเอียดเพื่อความบุตพ้นมันละเอียดตามกําลังของสมาธิที่เต็มภูมิแล้วอย่างนี้ก่อเต็มที่อยู่นั่นเสียนอกจากนั้นมันไม่เพิ่มหมายถึงว่ามันมีขอบมีเขตถ้าเป็นน้ําก็เต็มตุ่มถึงขอบปากแล้วอยู่ ส่วนปัญญาไม่เป็นเช่นนั้นหมุนติ้วไปตลอดไม่ว่ากว้างว่าแคบดื้อตื้นหยาบละเอียดเค่ไหนสติกับปัญญานิสตา ม, มันไปได้ทั้งนั้นจนเป็นที่เข้าใจเข้าใจซึ้งเรเห็นนี้เองพระพรีชาสามารถของพระบุรีเจ้าจึงผิดกับพภาษาวกทัางหลายอยู่มากมายเพราะเห็นนี้เพราะพระพระปัญญามีความฉลาดแหลมคมสมภูมิศาสดาเอกในโลก ของโลกต้องกระจายหมดทั่วโลกกาะถาสามารถทราบได้หมดอปัญญาไม่มีขอบเขตรือขั้นสมมุติเป็นเกณฑ์เลยเต็มสมมุตินั่นแหละขั้นสมมุติก็ะดุดพ้นไปแล้วไม่ต้องกล่าวถึงแต่พิจารณาตามโลกสมมุตินี่พระองค์ทรงสามารถรู้แจ้งตลอดตัวถึงที่เดียวโลกวิถู ไม่มีความเกลียดดนั้นการพิจารณาทางด้านปัญญาของเราควรจะให้มีเป็นคู่เคียงกันไปกับการอบรมสมาธิในการอันควรจะพิจารณาอย่าไปยุ่งตั้งแต่กับสมาธิด้วยความขี้เกียจจะพิจารณาอะไรก็ขี้เกียจหาอุบายตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเองยกขันนี่เป็นที่ตั้งจะเป็นขันนอกขันในก็ตามเอามาแยกแยกปีนี้พิจารณาแต่พออย่างยิ่งขันในของตัวของเราเนี่ยมันสำคัญ เรานี่มันด้วความยยบคายจากเวทนาขันเราเอาจริงๆทุกนั่นแหละทุกเวทนามัดตัวเข้าไปไม่มีทางออกเมื่อหมุนติ้วของมันจนกระทั่งมันแตกกระจายลงรู้ตลอดทั่วถึงของทุกเวทนาว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไงเกิดขึ้นมาเพราะเหตุไรจนถึงขั้นความจริงทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิต เวลาจนกรอกมันฟิตของมันเองไม่ยอมถอยนี่ถอยไปได้ยังไงถึงขั้นไม่ยอมถอยมันถอยไม่ได้ต้องเอาจริงเอาจังนั่นแหละขั้นนั้นแหละเป็นขั้นที่เห็นความอัศจรรย์เป็นขั้นที่เชื่อตัวเองได้เชื่อว่าตัวนี้มีสติปัญญาได้จริงเพราะผิดขึ้นมาเวลาจนกรอบคนเราจรึงไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปท่านจะนําอัภิธนานาโถมาใชานะ้นอกจากหวังจะพึ่งพิงคนอื่นไปเรื่อยๆเป็นนิสัยของมนุษย์ หวางพึ่งแต่ผู้อื่นไม่สนใจที่จะมาพึ่งตัวเองอันจริงไม่ค่อยได้เหตุได้ผลอะไรมาอยู่กับครูอาจารย์ก็พึ่งแต่ครูแต่อาจารย์แต่เสียที่จะมาพึ่งตัวเองในเวลาที่ควรจะพึ่งนั้นก็ไม่สนใจจะพึ่งไม่สนใจจะชีตไม่สนใจจะต่อสู้สิ่งที่มันผูกมัดรัดดึงอยู่ภายใจิตใจตัวเองมันก็ไม่ได้อุบายต่างๆมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้นี่ เส่วนที่มันเด่นจริงๆก็คือทุกเวทนาสำหรับเราเองเด่นมากเห็นประจับอาถานทุกครั้งที่เข้าตะลุมบอนกันเมื่อสละเป็นตายลงสู่ความเพียรนี้แล้วรู้ได้ทุกครั้งไม่เคยพลาดเลยเพราะมันทุ่มลงไปตรงนั้นหมดชีวิตจิตใจมอบไปหมดแล้วจะไปทะเลถลายไม่ได้กระแสของจิต คิดไปนอกรูนอกทางไม่ได้เป็นอันขาดว่างั้นเลยนี่ถึงมันเป็นมันถึงต้องเป็นทุกข์มากทุกข์ในร่างกายเพราะทุกขเวทนาบีบบังคับแล้วยังไม่แล้วจิตยังต้องกระสับกระส่ายจะคิดไปนู้นไปนี่อีกบังคับจิตที่คิดอย่างนั้นอีกด้วยไม่ยอมให้คิดออกไปเขาจะทุกข์ก็าตามจะเป็นก็จะตายก็าตามให้หมุนอยู่กับตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านวัด ทุกขั้งนี้อริยสัจอย่างท่านบอกเป็นสัจธรรมอย่างยิ่งนไม่เป็นอื่นเป็นสัจธรรมท่านบอกพิจารณาให้มันเห็นสัจธรรมเป็นอย่างไรว่าทุกเป็นของจริงนี้จริงอย่างไรเมื่อพิจารณารอบกันทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วทุกก็เป็นของจริงจริงจริงซักแต่ว่าทุกอยู่เท่านั้นไม่ปรากฏว่าทุก์เขามีความหมายในตัวเขาเองและมาให้ทุกแก่เราเขาไม่มีความหมาย สักจะเป็นความปีนกันหนึ่งอยู่เท่านั้นวากายที่แรกเราก็เหมาเอาว่าร่างกายของเราส่วนนั้นส่วนนี้หรือหมดทั้งร่างนี้ว่าเป็นตัวทุกข์ส่วนว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ต้องพูดอันนี้มันเป็นมาแล้วเอากันในขณะนั้นในขณะมันถุนมูนนุ่นวาอยู่กับทุกข์นั้นมันถือว่าธาตุขันทั้งหมดนี้เป็นทุกข์ไม่แยกหาจริงๆเอ้าอันไหนเป็นทุกข์ธาตุขันส่วนไหนว่ามันเป็นทุกข์จริงๆ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 เทียบเทงทุกสัตว์ทุกส่วนสามอย่างนี้เป็นสําคัญกายทุกขเวทนาจิตที่มันพัวพันมาหนึ่จิตนั้นนราไปพัวพันเขาจึงต้องพิจารณานั้นและแยกมหากิตแยกมหากายแยกมหาทุกเวทนาแยกมหากิตตลบทบทวนไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไม่ต้องพูดเอาจนกระทั่งเข้าใจเห็นเป็นความจริงอย่างเต็มสัตว์เต็มส่วนหาทางสงสัยไม่ได้แล้วหนึ่งทุกดับวูบไปหมดเลยสอง ทุกไม่ไดับก็ตามแต่หาความกระเทือนใจไม่ได้ต่างอันต่างจริงไม่มีความกระทบกระเทือนใจแม้ร่างกายจะแตกไปในขนาด น, นั้นก็ไม่มีอะไรจะทุกสทานภายในจิตใจเพราะต่างอันต่างจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่อาจหาได้อย่างไงเมื่อมันถึงความจริงด้วยกันทุกสัตว์ทุกส่วนเต็มภูมิแล้วไม่มีกระทบกันด้วยวทุกกับใจก็ไม่กระทบกันขันกับเราก็ไม่กระทบกันต่างอันต่า ง, จ ร, งจริงเรียกว่าต่างอันต่างจริง เมื่อถึงขั้นความจริงแล้วไม่กระทบกันนี่พระอรหันต์ท่านเวลาท่านนิพพานท่านเองนิพพานได้อย่างสะดวกสบายเพราะไม่มีอะไรกระทบกันท่านเป็นความจริงล้ ว, ลวนๆอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของจิตท่านสิ่งเหล่า น, นี้ท่านก็เห็นว่าเป็นความจริงแล้วจะมีอะไรมากระทบกระเทือนท่านเพราะให้เกิดความรัศมละสายขวนกวาดเหมือนโลกทั่วๆไปท่านเป็นท่านไม่เป็นเรื่องของขันจะดิ้นจะดีดไปตามลักษณะของขัน นั่นเป็นสภาพอันหนึ่งเจ้าเขาไปบวกกันกับกิจไม่ได้เป็นแค่ขาอวัยวะมันดิ่นมันดีดของมันเหล่านี้เป็นต้นมันเป็นอาการอันหนึ่งของขันที่มันแสดงตัวเหมือนกับไม้ที่ถูกไฟเผานั่นแหละเห็นใบไม้เรียบกรอมทันกันเข้าไปไม้ไผ่ฟังเสียงระเบิดปึงปังปึงปังเหมือนกับเป็นของมีหัวใจเหมือนกับ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 ความจริงเต็มส่วนโดยหลักธรรมชาติของตนแล้วย่อมเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้พระสารินไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ว่าจะตาในยาบุตรใดจะเสียท่าเสียทีไม่เสียท่าเสียทีไม่มีในยาบุตรใดไม่มีอาการใดที่จะไปทําลายจิตใจใท่านอีกบริสุทธิ์อยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติให้กลายเป็นความสมองลึกเป็นกุปตธรรมกําเริบขึ้นมาเป็นตปนม่ได้ เมื่อกินตามส่วนแล้วก็เป็นอย่างนั้นหรือพยายามให้หมู่เครื่องได้ประกอบความภาคเพียรไม่ให้มีงานอาะไรการอะไรนอกจากงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาว น, นานี่เท่านั้นถือเป็นงานอย่างยิ่งดูที่ไหนให้ทํางานของตอนเองเดินจงกรมนั่งสมาธิภาว น, นามีสติเป็นเครื่องกํากับรักษาใจอยู่เสมอปัญญาความสอนสอนจะให้จิตมันทะเลสะไหลไปได้เคยเป็นมาพอแล้ว ไม่เห็นโทษของมันในเวลาการในเวลาประกอบความาพเท่าเที่ยนในเวลาที่ควรจะเห็นโทษมันด้วยสติปัญญาข้างบนเราจะไปเอาเวลาไหนมาเห็นโทษของมันถ้าไม่เห็นในเวลานี้แล้วนั่นก็หมดหวังเท่านั้นมันุษย์เรเอาให้กินให้จังกลัวจะตายล้ำกลัวจะลําบากแต่บังคับต่อสู้กิเลสบ้างก็กลัวลําบากเยอะ ไปล้มไปทางฝ่ายกิเลสให้มันเหยียบย่ำทำลายเอาเสียเลยไม่มีทางาาคํดดดดาวมชนะกิดเลสได้หากตัวชนะกิเลสไม่ได้แล้วเราหาความสุขไม่เจอเลยในชีวิตของพระเรานี่นอกจากเราได้ชนะกิดเลสตัวใดแล้วเราก็ทําเป็นอิสระในกิดเลสตัวนั้นขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่ ง, ทงเอาให้หมดไม่มีกิดเลสตัวใดตกค้างอยู่ภายในจิตใจแม้แต่น้อยแม้แต่ปรมาโนเลย <c oughs> นั่นแหละจึงเป็นอิสระเต็มตัว อยู่ไหนอยู่เถอะที่นี่มันหมดความหมายหมดแล้วแหะเรื่องโล ก, กระถาอันนี้มันเป็นสมมติด้วยการรู้เท่าทันหมดแล้วจิตก็เป็นจิตธาตุขันสมมุติต่างๆก็เป็นประตามสภาพของเขานั่นเป็นอิสระตลอดเวลาแม้ขันจะยังมีอยู่มีสิ่งบรบกวนอยู่เป็นทุกข์ความลําบากมันก็ไม่กระเทือนถึงใจใจมีแต่ความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติธาตุขันไปตามเรื่องราวที่เขายังมี ความเป็นสืบต่ออยู่เท่านั้นเกจะเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความโกนกะ็ะไว้นั้นท่านไม่มีหรือเราเป็นอิสระแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษแห่งกิเลสที่มันเคยครอบํำหัวใจมานานว่ามันทำกิตใจให้มีความชอกช้ำขุนมัวได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเปลี่ยนไหลได้อย่างไร <c oughs> เมื่อนั่นมันหมดไปแล้วมันก็เห็นได้อย่างชัดอ่นอานได้ยอย่างเต็มปากเต็มใจนั่นแหละเดินจงกรมนั่งอยู่มันง่งวงลงเดินห า, ว, าวิธีแก่เจ้าของ ผลเราตั้งง่วมันก็อยากนอนตอนนั้นเนี่ยนอนก็เคยนอนมามากแล้วได้ผลได้ปลิวอะไรเพียงบำบัดเยียวยาวทัดขันไปเป็นการเปลี่ยนเวลาความเพียร น, นี้เพื่อแก้คิดเพื่อแก้กิเลสโดยตรงความนอนไม่ใช่เป็นการแก้กิเลสนี่เป็นการบำบัดทัดขันระงับทัดขันพอมีกําลังแล้วนาํามาใช้ในในงานการแก้การตัดถอนกิเลส ด้วยความเพียรความเพียรนี้เองเป็นงานที่ชำระกิเลสการหลับนอนไม่ใช่เป็นการชำระกิเลสแต่มันจําเป็นที่จะต้องพักก่อนใครเห็นไปตามเรื่องความจําเป็นนั้นจะเถื่อความฉุขในการนอนดังพระพุทธเจ้าท่านสอนตัมโมขมันลาอย่าวังความถูในการนอนธนวานั้นหาอุบายวิธีเปลี่ยนแปลงแก้ไขความงงนอ น, อนนอนไม่รู้กี่อุบายพุทธเจ้าทรงสอ น, สอน แต่ว่าการนอนเป็นของดีทําไมจึงมารับสั่งพระโมกกัลลาให้นอนจะให้จมไปเลยนะโมกกัลลาถึงปณิพานในหมอนนั่นแหละทางล่างที่กําลังหลับคราบคลอกนั้นเนี่ยโฮงไม่เห็นสอนอย่างนั้นนอกจากสอนให้หลีบหมอนเท่านั้นหาอบายนั้นหาอุบายนี้เหี ย, น, น, ย น, นดูบนฟ้าอากาศอะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นทำมันยังม่หายให้ทําอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นถามันจําเป็นยิงมัน เพียบเป็นที่ก็พักให้มันเสียแน่ ม, นมาก็ว่าพักร่างกายมันเพียบไม่ใช่บ ว, ว, วังความสุขในการนอนท่านย้ําอียวางความสุขในการนอนนั่นเพราะสิ่งเหลนั้นไม่ใช่เป็นทางแก้กิเลสความเพียรตัง้งหาเป็นการแก้กิเลสเราคิดให้ถึงใจที่อุบายอย่างนี้ ตั้งหน้าต่งางตาปฏิบัติเวลามาอยู่ด้วยกันอยากคิดถึงเรื่องใดมากยิ่งกว่ากระแสของจิตที่จะคิดออกมาในแง่ต่างๆอย่างเากี่ยวกับหมู่เพื่อนมันคิดเรื่องอะไรก็หมู่เพื่อนมันคิดเป็นธรรมไหม่ถ้าคิดไม่เป็นธรรมมันก็คิดกระทบกระเทือนหมู่เพื่อนก็แสดงว่าจิต ด, ดวงนี้เป็นมารไปเจ้ากระทบกระเทือนคนอื่นเหยียบหัวใจตัวเองออกไป ถ้าไม่แก้ตรงนี้ก็จะเป็นไปอีกเรื่อยๆมองกันให้มองในแง่เมตตามองในกันในมองในแง่ให้อภัยมองกันในแง่เ <c oughs> หตุผลนั้นแหละเป็นหลักใหญ่ตรงนั้นต่างคนต่างมุ่งความจริงต่อกันแล้วพูดกันรู้เรื่องง่งายๆทิฏฐิมานาเป็นเรื่องของทิเลสเอามาช้าในวงปฏิบัติได้อย่างไรนั่นเพียงเท่านั้น มันก็ปราบกันอยู่แล้วหัวใจนั่นแหละตัวมันดิ้นมันดีดมันแสดงภาพอย่างนั้นภาพแบบนี้ในเรื่องของอันใดก็ตามเรื่องของเพื่อนฝูงก็าตามมันจะมีภาพออกไปจากตัวเองทำนั้นเป็นความวามวนวุ่นวาย ไปต่างๆนั้นมากะ็ะทบกับเทือนขึ้นกันกันก็บพ่อกิเลสนั่นแหละทําแท้ไม่กระเทือนกิเลส ท, ท้ายกระเทือนเสมอไม่มากก็น้อยพึงระมัดระวังเราเป็นนักปฏิบัติสิ่งอันนี้อย่าให้มาเหยียดย่ทำทาลายจิตใจของเราได้ถึงกระต้องกระทบ ก, กระเทือนซึ่งกันกันเลวดูไม่ได้เลยแต่ลองดูหัวใจต่างคนงต่างดูหัวใจตัวเองอยู่แล้วจะทราบความกระเพื่อมความขนองห้องใจมันชอบขนองไปทางไหนอ่ม คือความคกาคำมัค น, นองมันอยู่ไหมไม่เป็นปกติมันหาเรื่องอยู่เรื่อยเน่ยวความคิดค้านณอ ง, องไม่ถึงหมายถึงคนองกําหนัดยินเดียค น, นองเรื่องไหนมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นต้องระมัดระวังงานของเราที่จะทําให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งวันทั้งคืนคือเดินนั่งนอนเว้นแต่หนับก็คืองานภาวนาให้ถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์สาคัญ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 อย่างนี้แล้วเราจะจะท้อถอยในงานของเราอยู่แล้วก็มีทางที่จะรู้เห็นแลปะปลดเปลื้องกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกับโลคของเขาได้เลยแล้วกับโลกเขาก็ไม่แปกต่างกันผีผ้าไม่สําคัญสําคัญที่จิตใจเรียนที่จิตใจผ้านี้เพียงเป็นเครื่องหมายของนักบวชนั้นของนักปฏิบัติของนักต่อสู้ผ้ากาลวพัดนี้คือผ้าชัยชนะเลิศโลกมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าแล้วเรานํามาใช้นี้ เนี่ยธงเอะธงสามสีพระริเจ้าพระธรรมประสงค์เราได้สวมธงนี้เข้าไปในร่างแล้วเราต้องเป็นนักลบกให้ิให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลสติปัญญาเป็นสำคัญในการพิจารณาไก่กรองเอาให้จิงให้จังทำไมจะไม่รู้กว้างสอกยาวหนาคืบนี่เท่านั้นในขันนี่มันกว้างมันใหญ่โตอะไรนักหนา ถ้าปีพัญญาจอะลงไปตรงนี้ทําไมมันจะไม่รู้จะไม่เห็นจิตมันกคยคึกขนองมาพอแล้วได้ผลดีจากมันอะไรบ้างนี่เราจะบังคับมันมันคิ ด, ดยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์เหล่า น, นั้นที่เคยคิดมาแล้วให้เข้าสู่ความสงบเยงเงือกเย็นด้วยภาวนาของเราแล้วทําไมเราจะทําไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่บังคับจะเรียกว่าต่อสู้กันได้ยังไงอิเลถุดลากไปเราบังคับออกย้อนจิตย้อนกลับเข้ามาชื่อว่าต่อสู้กันถุดลากกัน อ๋อมันจริงมันจังนั่นเเมื่อเราจริงจังแล้วกิเลสมันก็อ่อนตัวข้อลงไปพอเราอ่อนมันก็แข็งข้อขึ้นมานัจริงต้องให้แข็งอยู่เรื่อยๆแข็งโดยทําขั้นนี้แข็งด้วยความเพียรขั้นนี้แล้วแข็งด้วยความเพียรขั้นนั้นขึ้นไปสติปัญญาขั้นนี้สติปัญญาขั้นนั้นแข็งขึ้นไปเรื่อยๆีิเลสมันก็อ่อนลงไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็พ้นไปได้แมันเห็นอยู่ภายในใจนี่คำหลุดพ้นไปยังไง ทำไมพระพุทธเจ้าท่านตัดออกมาได้อย่างเต็มพระโอษฐ์เพราะท่านทรงรู้อย่างถึงพระไท่ไม่มีใครไปบอกก็ตามถ้าลงรู้ถึงใจแล้วพูดได้โดยกันะคนเราภาษาเหมือนกันธรรมเป็นธรรมแท่งเดียวกันอุบายวิธีการแก้กิเลสก็ออกจากธรรมที่พระเจ้าสอนแล้วอย่างเดียวกันกิเลสตัวไหนจะมีอานาจวาสนาเหนือธรรมไปได้ไม่มียังไม่เรายังไม่เคยเห็น ทำที่ยิ่งในา่มาเหนือยิเล็กก็ไม่มีนอกจากตัวเราเองที่จะนำธรรมเข้ามาปฏิบัติกําลังของเราไม่พออยกทำเครื่องสาธาวุธคือทำนั้นขึ้นมาไม่ได้มันอ่อนเปียกไปหมดด้วยความขี้เกียจขี้ครั้านซึ่งเป็นเรื่องของยิ่งเล็มันเคาะข้อมือเอาตีข้อมือออกตีแข้งตีขาให้ก้าไม่ออกเดินไม่ไหวเดินโซซัดโซเซไปด้วยความง่วงเหงานอนไปด้วยความเผลอเลอะต่า ง, าา ง, างๆไป ไม่มีสติสตังค์อย่างนั้นมันก็ไม่รู้อย่างนั้นถูก ย, ยิ่งเดือดเหยียบย่ำทำลายเตะถีบดองไปแหลบไปหมดสร้างขึ้นมาไมาได้เราจหวังมากุญญิพานแล้วหวังความพ้นทุกข์ที่ตรงไหนมันไม่มีนี่สิ่งที่จะมีได้เพราะอะไรก็มีได้หลังที่กล่าววันนี้เอาหนักก้อนสู้สิเราเป็นนักสู้แล้วนี่ ก็ค่อยทราบอยู่แล้วว่ากิเลสมันเป็นตัวสําคัญเป็นข้าศึกอันใหญ่โตมากในหัวใจเราหัวใจโลกเวลานี้เราจะต่อสู้กิเลส จ, จะทําอย่างสะดวกสบายไปไม่ได้กิเลสมันมีน้ําหนักมากขนาดไหนกิเลสประเภทนี้ประเภทนั้นมีน้ําหนักมากขนาดไหนกําลังเราต้องเอาให้ทานน้าหนักมันได้แล้วเหยียบย่ทำทําลายมันลงมาได้ด้วยกําลังของเรานั่นถึงจะจะได้ชนะผู้ปฏิบัติทั้งเป็นย่ ทำทอแท่อ่อนแอไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าและสาวทาอะไรก็ให้พินิจพิจารณายาสับแต่ว่าทําฝึกขัดนิสัยให้มีปัญญารอบตัวเองภายนอกภายในเวลานำมาใช้ภายในนี่มันก็รอบตัวสังสมสติปัญญาสั่งสมกับปิยาการภายนอกทําอะไรก็ให้มีสติให้มีปัญญาพินิจพิจารณาไปด้วยเวลาเข้ามาใช้ภายในก็นี่แหละกิริยาแห่ง จิตที่แสดงออกไปเป็นสติปัญญานี่เนี่ยจะนำเข้ามาใช้าภายในแก้กิเ็กอยู่ภายในนี่ให้หมดไปได้โดยลำดับเพราะความฉลาดรอบครอบของตัวเองแสดงเพียงตอนนี้นี่คิดในนี้